พระธรรมเทศนาแผ่นที่53ลําดับที่2โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่18เมษ า, ายน2556มีชื่อเรื่องว่าเก้าอี้บัญชาใจพวกเราได้ยินตุ๊กแกมันล้องมั น, มนว่ายอย่างไง เนี่ยแหละตุกต๊กแกมันร้องเพลงร้องกี่ครั้งตุ ก, กี่หอนก็ตุกกต๊กแกตุ๊กแกมันร้องเพลงของมันนะมันลุกนึกคืมขึ้นมาก็ร้องเพลงแต่ร้องไปบ่อยร้องบ่อยไปือสักหน่อยวะ่ะวันนี้เป็นวันที่ 18, สิบแปดเมษายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบหกวันนี้เป็นวันพระขึ้นแปดค่า เดือนห้าเป็นวันพระเป็นวันปฏิบัติธรรมตั้งแต่เราสร้างวัดมาพวกเราทำวัดเย็นไม่เคยขาดแปดคำ่คำสิบห้าค่ำแต่ถ้านอกจากนั้นจอดมาเราก็ทำเป็นครั้งคราว แต่การที่พวกเราลงทุกวันที่ผ่านๆมาตั้งแต่นิสิตนักศึกษาเข้ามาบวชแล้วก็มาถึงพวกสถาบันเจ็ดสถาบันที่บอกกล่าวมาเนี่ยอันนี้เราลงทุกวันแต่การทําวัดพวกเราทําย่นย่อแต่เราจะเน้นหนัก เรื่องการได้ยินได้ฟังการอบรมทางด้านศีลธรรมจริยธรรมเรื่องกิตตภาวนาหรือสิ่งไหนที่หลวงพ่อลงมาหลวงพ่อก็จะเน้นหนักให้คณะผู้เข้ามาอบรมได้ยินได้ฟังถ้าหลวงพ่อไม่อยู่หลวงพ่อก็จะบอกให้พระพี่เลี้ยงว่าควรจะ ให้ฟังธรรมเดศนาในแนวลักษณะไหนหลวงพ่อก็บอกว่าถ้าว่ากันไหนวันไหนเทศไม่ยาวก็ควรจะเอาสักสองกันแต่ละกันให้เน้นหนักทีแรกก็เรื่องศีลธรรมเรื่องจริยธรรมเรื่องคุณธรรมเพราะว่าในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เรื่องจริยธรรมคือความประพฤติให้เหมาะสมกับกาละการสถานที่บุคคลแล้วก็เรื่องศีลห้ากฎรละเบียบการอยู่ด้วยกันหลายๆคนต้องมีกฎต้องมีระเบียบต้องมีกฎหมายคุ้มครองคุณธรรม คือให้มีเมตตาให้มีน้ำใจให้มีความเอื้อเพื่อเอื้ออารีต่อกันอันนี้คือคุณธรรมทางด้านจิตใจเพราะฉะนั้นการแรกหลวงพ่อจะเน้นหนักในเรื่องนี้แต่พอกันที่สองจะเน้นหนักเรื่องภาคปฏิบัติเรื่องจิตภาวนาเป็นเรื่องของ พระกรรมฐานที่อยู่ในป่าอย่างสายหลวงปู่มั่นและกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันมาท่านอยู่ป่าเพื่ออะไรท่านมีความมุ่งหวังอะไรท่านต้องการอะไรจุดมุ่งหมายของท่านสูงสุดในการอยู่ในป่าหรือปฏิบัติธรรมอดนอนผ่อนอาหารอยู่ด้วยความลาบากอย่างนี้ อยู่ไปเพื่ออะไรจุดสูงสุดนั่นคืออะไรอันนี้ก็จะต้องมีอีกเพื่อจะให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเดฉะนั้นขอให้พวกเราายในการศึกษาใยในการได้ยินได้ฟังพอหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราได้ฟังฟังมาฟังรู้ซิว่าเหตุผลในหลักธรรมคำสอนนะ เต็มเปี่ยมพูดอย่างนั้นได้พระพุทธเจ้าท่านก็รับรองในธรรมคำสอนของท่านสวากขาตธรรมเราตัดไว้ตรัสไว้ชอบแล้วทั้งเบื้องต้นท่ามท่ามกลางและก็สูงสุดนำผู้ประพฤติปฏิบัติผู้เดินตามหลักธรรมคำสอนของเราตถาคต คนนั้นกลุ่มนั้นคณะนั้นในยุคนั้นล้วนแล้วจะได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขท่วนหน้ากันอันนี้ก็คือสวาขาตธรรมตรัสไว้ชอบเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้มาบวชและมาได้ศึกษาได้มาได้มาปฏิบัติศึกษาดูเราก็หาที่ตำหนิไม่ได้ มีแต่พวกเราย่อหย่อนในการดำเนินท่ตนเองเหมือนกับที่ท่านบอกเอาไว้ว่าการทำมาหาเลี้ยงชีพการทำมาค้าขายอย่างนี้นะอบอกเป็นแนวทางแต่ว่าพวกเราทำไม่ถึงไม่เชื่อบังเกียดคลานบังมีอุปสรรคหิวกระหายาร้อนหนาว อ, าอุปสรรค เราก็เลยท้อถอยไม่ทําไม่เต็มที่อันนั้นมันก็จะไหวยังไงจะตําหนิทําคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้มันต้องมองตัวเองน่านเมันต้องมองตัวในโอปัญญโกมองตนเองว่าเราในย่อหย่อนมากน้อยแค่ไหนทําไมพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ยืนยันว่าการประพฤติปฏิบัติเห็นผลได้ผลแต่รับความสงบร่มเย็นเป็นถูกทางท่านจิตใจแต่ทำไมเราปฏิบัติดูแล้วมีแต่ความเหนื่อยล้าถอยหลังเอือมละอามันไม่ก้าวหน้าทำไมเราเป็นอย่างนี้อันนี้เราต้องมองตนเอง มันย่อห ย, ย่อนตรงไหนเราขาดขันติคือความอดทนหรือไม่เราขาดวิริยะคือความเพียรใช่หรือไม่เราขาดความอดทนเราขาดสัจจะคือความจริงจังและจริงใจใช่หรือไม่สิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายตรวจตราดูตนเอง อย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านาได้ตรัสเอาไว้ความสาเร็จอิทธิบาทคือเครื่องสำเร็จที่จะทำให้พวกเราสำเร็จความประสงค์มีสี่สี่อย่างชันทะความพอใจเรามีความพอใจหรือไม่วิระิยะเรามีความภาคเพียรจริงจังใน เรื่องที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติมีหรือไม่จิตตะเอาใจฝักใฝ่ในเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังวิมังษาไต่ตรองเหตุและผลในเรื่องที่เราจะปฏิบประพฤติปฏิบัติเนี่ยเรามีหรือไม่นี่แหละอันนี้ก็คืออิทธิบาทคือคุณคือเครื่องให้สำเร็จความประสงค์สี่อย่าง ฉันทะวิริยะจิตตะปิมังสาอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทัน้งหลายควรจะนำมาตรวจตราดูในความรู้สึกของพวกเราถ้าพวกเราอ่อนตัวไหนฉันทะเราอ่อนไหมวิริยะเราอ่อนไหมจิตตะเราอ่อนไหมวิมังสาการไข้ควรไตรตรองเราอ่อนไหมสิ่งเหล่านี้เก็อยากจะให้ พวกเราทุกๆ ท, ท่านใช้ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาขับเคลื่อนหรือขยับตัวเองเข้าสู่คุณงามความดีไม่ใช่ว่าพอบวชเข้ามาแล้วจะดีทีเดียวไม่ได้นะถึงจะชื่อนายดีก็มันไม่ดีอย่างที่ชื่อเพราะนั้นเราต้องทำดีกายวาจาใจของเราคิดดีทำดีพูดดี เมื่อเราคิดดีทำดีพูดดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันค่อยดีไปดีขึ้นไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคิดดีนั่นะเป็นต้นตอของเรื่องราวต่างๆอย่างที่หลวงพ่อพูดยกให้ฟังพระในครั้งพุทธเจ้าบวชเข้ามาแล้วอ่อนท้อใจในการที่จะรักษาสินทั้งสองยี่สิบเจ็ดมันจะรักษาอย่างไงมากมายที่ในพิสมาจารีตังหา พระพเจ้าท่านว่าไม่ต้องรักษามากเรากักษาอันเดียวได้ไหมได้พระเจ้าค่าถ้ารักษาอันเดียวยากถึงขนาดไหนข้าพระองค์จะรักษาเออไม่ต้องรักษามากนะรักษาใจให้ดูใจของตนเองเดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้เราคิดเรื่องอะไรเราปรุงไปเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่มันทําให้จิตใจของเราปรุงแปลง ว้าเวอ้างว้างเงียบเหงาซึมเศร้าคิดออกนอกรูนอกทางทำไม่ดูอย่าให้ใจคิดไปทางนั้นอย่าคิดให้อย่าให้ใจของเราในความรู้สึกของเราคิดปุงออกนอกรูนอกทางให้อยู่กับกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งให้ดูใจหรืออาณาปานสติพุทธาธรรมมาสังคาศีราญาคาเทวตา มรณนุสติอาณาปานสติอย่างนี้เป็นต้นเราก็อยู่กับกรรมาตรฐานที่พระพุทธเจ้าวางไว้อย่าให้ออกไปทางอื่นเท่านั้นล่ะพอไม่ต้องรักษาสิลรักษาใจเท่านั้นล่ะเรามาพิจารณาดูแล้วโอ้พระพุทธเจ้าเนี่ยฉลาดจริงๆเพราะรักษาต้นต่อรักษาเรื่องราวต่างๆถ้าคนตายไป ใจออกจากร่างแล้วนั่นจะทำอะไรได้เพราะคนตายนอนแผ่อยู่งั้นแต่ถ้าว่ามีใจเข้ามาอยู่ในกายของเราใจของเราคิดพอคิดขึ้นมากโกรธขึ้นมาใจมันกโกรธมันก็ปล่อยอาวุธยุโทโธปกรณ์ออกไปไม่รู้หมัดไม่รู้มวยเพราะมันโมโห นอกจากนั้นก็ตาทำเพลงเกีียวจากนั้นก็ตุดาว่ากาวพูดเป็นวาจาออกไปเพราะอะไรเพราะใจมันโกรธมันก็เลยให้ลูกน้องของมันคือกายกับวาจา เ, เป็นผู้แสดงออกแต่ใจเฉยๆมันอยู่เฉยๆมันไม่มีอะไรไม่รู้ ต่างคนก็ต่างไม่รู้แต่พอออกจากทางกายแล้วก็เห็นแหะเห็นได้ชัดเลยอกักขภิริยาของกาย อ, อตาขว้างหรือว่าใครๆก็แสดงอกักขภิริยารู้แหละ ว, ว่าเขาไม่พอใจออจากนั้นก็พูดออกมาอีกก็ยิ่งรู้ชัดที่เข้าไปอีกแสดงว่าใจของเขานะ่ยมีความโกรธ ม, มีความไม่พอใจอยู่ในใจ แต่ถ้าหัวใจของเขารักมีความรักความใคร่อย่างนี้ก็รู้ได้อีกเหมือนกันมองดูตาก็แสดงอกับกิริยาการพูดก็แสดงอกับกิริานี่แหละอันนี้ก็คือมันออกไปจากใจทั้งหมดเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจิงท่านจึงให้รักษาใจจะรักษาอย่างไรรักษาใจ พระพุทธเจ้าให้กรรมฐานกรรมฐานสี่สิบแต่บางท่านบางคนเขาบอพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนกรรมฐานสี่สิบใช่ท่านสอนกรรมฐานเดียวนั่นล่ะรักษาใจท่า น, นั่นล่ะอันนั้นคล้ายๆเขาบอกเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องบอกกล่าวนานาจิตตังนานาทัศนะถ้าว่าพวกเราคนหนึ่งชอบกรรมฐานหนึ่งเอายึดกรรมฐานนั้นมาพิจารณา ยึดกรรมฐานนั้นมาม า, มาบริกรรมนำมามาประพฤติปฏิบัตินี่แหละไม่ใช่ว่าให้ดูอย่างเดียวต้องให้มีทางเลือกบ้างเพราะหลายหลายคนแต่ถึงยังไงแต่จุดใหญ่ก็คือให้ดูใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจขอให้พวกเราคณะสัทธายญญาจโจม นาคทั้งหลายนะบวชมากลาวนี้ให้ศึกษาเรื่องของใจที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาทดสอบทดสอบท ด, ท ด, ท ด, ทดลองอยู่ทั้งหกปีผลที่สุดก็มาลงมาถึงใจแกล่าวขึ้นเป็นพรมบรีมันโนปุพังขามาธรรมานะเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสาเร็จแล้วด้วยใจเพราะฉะนั้นใจคานี้แหละมันมีเล่เหลี่ยมมีชั้นเชิง มีเล่กลหลอก ล, ลวงต้มตุนพวกเร า, เ, าเพราะมันมีกิเลสกิเลส อ, อยู่ในนั้นกิเลสมันชอบไปทางต่ําทางไหนเป็นทางต่ํามันจะรอบไปทั้งนั้นมันจะพาพวกเร า, เาไปในทางต่ําเพราะฉะนั้นถ้าจะว่าไปแล้วใจของเราเนี่เหมือนที่เก้าอี้ตัวหนึ่ง เ, เป็นเก้าอี้ใจเป็นเก้าอี้ บางทีกิเลสราคะขึ้นไปบัญช า, าไปนั่งอยู่เก้าอี้บัญชาไปทางกิเลสกามราคะมันก็เยิอมไปทางกามราคะถ้าว่ามันโทสะอใจเข้าไปนั่งมันก็โกรธเป็นอารมณ์โมโหโกธาฉุนเฉียวอพอใจขึ้นไปนั่งกิเลสขึ้นไปนั่งกิเลสโทสะขึ้นไปนั่ง กิเลสโลภะขึ้นไปนั่งมีเห็นอะไรมิตรยากได้โลภตลอดเพราะอกิเลสโลภะกิเลสโมหะเข้าไปนั่งมันก็หลงอีกเ อ, อคิดว่าตัวเองจะไม่ตายในโลกเนี่ยในจกักรวาลเนี่ยคิดว่าจากจะให้มันเป็นของตัวเองทั้งหมดะมันโลภถึงขนาดนั้นเพราะนั้นใจเนี่ย พ, พระพุทธเจ้าถือว่า เราจะเอาธรรมกรรมฐานไหนขึ้นมานั่งสมถะและวิปัสสนาขึ้นมานั่งเมื่อสมถะคือทำจิตใจให้สงบแล้ววิปัสสนาการกรองไตรตรองเหตุและผลในใจดวงนั้นใจดวงนั้นก็จะรู้จริงเห็นจริงขึ้นมาเป็นธรรมขึ้นมากิเลสทั้งหลายขึ้นมาไม่ได้ธรรมเป็นผู้นั่งอยู่นในจิตใจ ก็ได้ให้พวกเราเข้ามาบวชในครั้งนี้มาดูใจนะใจนี่แหละเป็นเรื่องใจนะเป็นเรื่องใหญ่แต่เครื่องอย่างอื่นก็เอาทมเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเรื่องศีลสมาธิปัญญาอันนี้เราก็ต้องทาไปด้วยรักษาไปด้วยเราจะไปรักษาแต่ใจอย่างเดียวก็ยิ่งดีแต่ว่าการอยู่เรารักษาอย่างนั้น มันก็ถูกต้องที่สุดแ ล, ละล่ะแต่ว่าเมื่อเราสารตัวนั้นไม่ได้เราก็ตรงเนี่ยดูกายดูวาจาซ้ำรวมกายส้ำรวมวาจาเหมือนการรักษาต้นไม้เราจะไปปลูกตะแก่นอย่างเดียวก็ไม่ได้แกนมันมาปลูกไม่ได้ต้องปลูกมเมล็ดพอมันเป็นต้นขึ้นมามันก็มีเปลือกมีกับพีมีแก่นที่หลัง อันนี้ก็เหมือนกันนะถ้า พ, พวกเราเข้ามาบวชแล้วกันเนี่ยรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศินในเมื่อรักษาศีลเป็นศีลแล้วสมาธิก็เกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาก็เกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อเกิดปัญญากับนามาพิจารณาหาหลักเหตุผลก็ชําระกิเลสราคะโทสะออกจา ก, กจิตใจได้ง่าย เพราะว่าเรามีปัญญาวิปัสสนาปัญญานะเนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะะต่อนนี้ไปก็เปิดเทป m p 3พวกเรานั่งคัดสมาธิฟังนะตอนนี้นะ